พระพุทธศาสนาคืออะไรคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําที่มีความหมายลึกซึง้งพระพุทธศาสนามิใช่พรมเทวดามนุษย์ชายหญิงพระภิกษุสามเณรทั้งมิใช่สมมุติหรือบัญญัติแต่พระพุทธศาสนาเป็นปรมัติหมายความว่าพุทธผู้รู้พุทธติ แจ่มแจ้งสันติสงบเย็นรวมความก็คือผู้รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดสงบเย็นการทําบุญทำทานการรักษาศีลหรือการปฏิบัติสมถะภาวนายังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาเพราะหากว่าการทําบุญทำทานการรักษาศีลการปฏิบัติสมถะ เป็นพระพุทธศาสนาแล้วคนในโลกนี้ก็ล้วนทําบุญทําทานกันทุกคนอเมริกันชนบริจาคทานแต่ละครั้งเป็นพันเป็นหมื่นดอนลล่าศีลก็มีกันอยู่ทุกคนอย่างน้อยก็สองถึงสข้อสมาถะหรือสมาธิก็มีการปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปถ้าเช่นนั้นแล้วเขาเหล่านี้ ก็ควรจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยเหมือนกันศาสนาหลักในโลกนี้ได้แก่ศาสนาพราหม์หรือฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาคริสศาสนาซิกศาสนายูดายหรือศาสนายิวและศาสนาพุทธศาสนาโลกโดยสังเขปมีเท่านี้แต่แยกออกเป็นนิกายย่อยอีกมากมาย บรรดาศาสนาเหล่านี้ศาสนาที่นํามนุษย์ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หรือในอาณาจาักรพระเจ้ามีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นศาสนาที่นํามนุษย์ไปเกิดในพรมโลกคือศาสนาพราหมหรือฮินดูแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นํามนุษย์ไปสู่พระนิพพาน สาเหตุที่ทำให้ผู้คนไปเกิดในเทวดาและมนุษย์ก็คือการบําเพ็ญทานและการรักษาศีลดังบาลีที่ว่าทาเนนะสีเลนะกามสุ ข, ขติงคัตฉติหมายความว่าการปฏิบัติโดยเอาทานและศีลนำหน้าจะไปเกิดในกา ม, มาวาจรภูมิทั้ง7ภูมิคือมนุษย์หนึ่งและเทวดาหกชั้น ส่วนการปฏิบัติโดยใช้สมาธินำหน้าจะไปเกิดในรูปประภมกับอรูปประภมทั้งสิบห้าชั้นดังบาลีที่ว่าสมาธิยาปาณรูปังอรูปังคัตฉติส่วนการปฏิบัติโดยใช้ปัญญานำหน้ามีศีลและสมาธิคอยหนุนอยู่ข้างหลังจะบรรลุถึงพระนิพพานดังบาลีที่ว่า ปัญญายะนิพพานังคัจจติอันหนึ่งหากเป็นชาวพุทธโดยแท้จริงแล้วต้องบรรลุถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธก็หมายความว่าเราเป็นสาวกของผู้รู้แจ้งแทงตลอดรู้อะไรก็คือรู้จักทุก ในโลกที่เรียกว่าคุกตายเกิดนี้มีแต่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายหรือเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนอยู่ในวงจรทั้งสนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นสภาวะบัญญัตส่วนความเกิดขึ้นตั้งอยู่นี้เป็นสภาวะปรมัติสภาวะสัจจะ คือรู้อย่างชัดเจนว่าสภาวะธรรมทั้งสองนี้เป็นทุกข์แทงตลอดคืออะไรคือการแทงตลอดหรือรู้ชัดว่าทุกข์นี้มาจากไหนมาจากอัตตทิฏฐิเมื่อรู้แล้วก็วางเหตุแห่งทุกข์เหตุทุกข์ก็คือทิฏฐิเจตสิกฝ่ายอากุศลนั่นเองในเริ่มแรกทิฏฐิเจตสิกฝ่ายอากุศลนี้ มาทำหน้าที่เป็นกิเลสจากกิเลสมาทำหน้าที่เป็นตัณหาจากตัณหามาทำหน้าที่เป็นสมุทัยซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของความทุกข์นั่นเองหากตัดอัตตาตกไปก็ไม่มีอะไรเป็นอัตตากลายเป็นอนัตตาไปสิ่งเกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือความสุขที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น เรียกตามคาว่ารู้แจ้งแทงตลอดสงบเย็นนั่นเองรู้อะไรก็คือรู้ทุกแทงตลอดอะไรก็คือแทงตลอดในเรื่องการวางเหตุคืออัตตาหรือตัวกูใครผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมหากรู้และแทงตลอดโดยการวางเหตุแห่งทุก์หรืออัตตาเสียได้บุคคลผู้นั้น เรียกว่าชาวพุทธมีบาลีว่าโสตาปติมัคคะอาจาระซึ่งกล่าวถึงเรื่องพระโสดาบันคําว่าโสดาบันมีความหมายว่าเดินหน้าไม่ถอยหลังเดินไปข้างหน้าคือไปสวรรค์หรือพรหมโลกแล้วนิพพานในที่นั้นบางท่านไปนิพพานในรูปประพรมไม่รวมอาศันยีพรหม บางท่านไปนิพพานในอรูปประพรมจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการไปเกิดในสวรรค์พรหมและการบรรลุนิพพานในที่สุดการที่จะบรรลุถึงพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ความยากอยู่ที่การที่จะได้เป็นชาวพุทธต่างหากขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ให้ดี คือ 1. เรื่องพระพุทธาศาสนา 2. เรื่องพระอริยะ 3. พระอริยะในสามเรื่องนี้การที่จะเป็นพระอริยะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่เรื่องพระพุทธาศาสนาและเรื่องพระอริยเจ้าทั้งสองนี้แหละเป็นเรื่องยากเรื่องพระพุทธาศาสนาเป็นเรื่องปริยัตคือการเรียนการฟัง การสอบถามการท่องบนและการคิดทั้งห้าประการนี้เรียกว่าอนุโมทยานคือการรู้ตามทฤษฎีแห่งรูปนามหรือรู้ตามมักควิธีแห่งอริยสัจสี่ในประเด็นที่เป็นปรมาถะสภาวะการเรียนรู้อย่างนี้เรียกว่าชาวพุทธชั้นหรอกแต่พระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติ เพราะพระพุทธศาสนามีความหมายว่ารู้แจ้งแทงตลอดสงบเย็นนั่นเองคำว่าสงบเย็นก็คือไม่มีความตายอีกเมื่อไม่มีตายก็ไม่มีเกิดเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่จึงหลุดพ้นไปจากเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่ว่ารู้แจ้งแทงตลอดสงบเย็นนั้นหมายถึง การรู้แจ้งแทงตลอดว่า 1. การตายเกิดเรียกว่าทุกข์ 2. เหตุแห่งการตายเกิดเรียกว่าสมุ ท, ทยัย 3. การเห็นทุกหรือการตายเกิดนั้นอริยมรรคองค์ที่หนึ่งเป็นผู้เห็นเรียกว่าสัมมาทิฐิเห็นถูกต้อง 4. การวางเหตุแห่งทุก หรือเหตุแห่งการตายเกิดได้นั้นอริยมรรคองค์ที่สองเป็นผู้พิจารณาวางเรียกว่าซัมมาสังกัปปะหรือพิจารณาถูกต้อง 5. การที่เหตุแห่งทุกข์หรือการตายเกิดได้ดับสิ้นไปนั้นเรียกว่ากิเลสนิโรธหรือดับกิเลส 6. การที่ขันธ ท, ทุกข์ได้ดับสิ้นไปนั้น เรียกว่าขันธนิโรธหรือดับขันการที่จะเป็นชาวพุทธคือก้าวสู่ความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นพระโสดาบันเป็นต้นได้นั้นต้องอาศัยคุณสมบัติแปดประการคือ 1. ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ไม่มีอันตรายหประเภทได้แก่กรรมมันตรายหรือทำผิดอนันตริยกรรมห้า วิปากัรตรายหรือความเกิดมาเป็นคนพิกลพิการแต่กำเนิดอริยุปวาทันตรายหรือการว่าร้ายพระอริยเจ้าอนาติกะมันตรายหรือการต้องอาบัติสังฆาธิเศสหรือประราชิกของพระภิกษุอธิฐานันตรายหรือการอธิษฐานเพื่อไปเกิดในยุคพระศีอระยะเมตรัยเป็นต้น 2. ได้พบพระพุทธศาสนา 3. ได้อยู่ใกล้พระอริยเจ้า 4. ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมะจากพระอริยเจ้า 5. ได้มนานัสิการถึงข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมะนั้น 6. ได้มีความศรัทธาเชื่อถือ 7. ได้ปฏิบัติตามมัดที่มาปฏิปทาโดยใช้ปัญญานำหน้า 8. ปฏิบัติด้วยความพยายามที่ว่าแม้เลือดเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นจะแตกไปก็ตามทีหากไม่บรรลุธรรมจะไม่ยอบถอยไม่หวนคืนสู่บ้านดังเช่นพระบรมศาสดาได้อธิษฐานว่าหากไม่บรรลุธรรมจะไม่กลับรกรุงกบิลพัท คือหากไม่ตรัสรู้ธรรมแล้วจะไม่ละความเพียรชาวพุทธทั่วไปที่เรียกว่าปกติสาวกผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง8ประการนี้ต้องเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติทั้ง8ปประการนี้เป็นองค์แห่งพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ ทรงมีพระกรุณาคุณเพื่อที่จะปราบฐานะความดีของผู้คนให้สูงขึ้นคือทรงโปรดมนุษย์ให้เป็นเทวดาทรงโปรดเทวดาให้เป็นพรหมมิใช่เพื่อให้ทุกคนบนรรลุถึงพระนิพพานแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ว่าชาวพุทธนั้นเป็นบุคคลสัมมาทิฐิมีความเห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปปะมีความคิดพิจารณาถูกต้องเห็นอะไรก็คือเห็นความทุกข์คิดพิจารณาอะไรก็คือคิดพิจารณาโดยวางเหตุแห่งความทุกข์เสียได้